ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปฐุมในวันนี้จะนําเสนอประวัติประมาโมคลานาเทระในเทระคาถาสัตธิริบบะคือความเป็นมาของ พระโมคคลลานาเทระนั้นได้กล่าวมาแล้วโดยลำดับแต่ว่าทั้งหมดนั้นเป็นข้อความที่อยู่ในพระบาลีส่วนในที่นี้เป็นข้อความอัตรกถาปุณก บ, บาลีก็มีประเด็นที่น่าสังเกตอยู่ประการหนึ่งคือท่านนำความว่า เรื่องของท่านมามกคลานาเทระได้กล่าวไว้บ้างแล้วในเรื่องของพระธรรมเสนาบดีสาริบุตรนั่นแหละจึงอยู่ในวันที่เจ็ดนับแต่วันที่ท่านบวชแล้วพระเทระเข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านการลาวมุตคามในแควนมคต์บำเพ็ญสมณธรรมเมื่อความง่วงเงาวหับนอนครอบงำ ท่านอยู่ได้สดับพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าที่ทรงทำให้เกิดความสุดใจพระน้ำหลาดว่าดูก่อนโมกขลานะเธอจะได้ประมาทความเป็นผู้นิ่งแบบพระอริยนะประเด็นนี้ที่แปลกก็คือว่าในประสูนร์ไม่มีข้อความประเด็นนี้ แล้วความเป็นผู้นิ่งแบบภ ร, ริยะก็เป็นขับสอนของพระนาลกะเรียกว่าโมนยาปฏิปทาพระนาลกะก็เป็นหลานของท่านอสิดาบหรือการาธิบินดาบทซึ่งได้สั่งหลานชายเอาไว้หลังจากพบหมาปุริสารักษณะของเจ้าชาชจิทธต ว่าถ้าเจ้าชาติสตเสด็จออกพนวดก็ให้บวชตามไปรออยู่เมื่อท่านได้สัตว์รู้ก็ให้เข้าไปมอบตัวเป็นลูกศิษย์อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่มันก็ตามให้เราคิดว่าการเรียบเรียงอัตตกถาคือข้อความข้างต้นนั้นเป็นการเรียบเรียงแน่นอน เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังพระสูตรหลังจากที่พระยาทรงแสดงก็คงจะเรียกว่าพันกว่าปีแหละเพราะว่าเป็นพระสูตรที่ทรงแสดงในพรรษาในปีแรกแต่การจัสรุแต่ว่ากา ร, รียบเรียงอัตกฐานั้นเรียบเรียงเมื่อพศออเกือบพันปี แล้วก็ได้เปลีย่ยนในประเทศศรีลังกาเพราะก็ความจึงไม่สอดรับกันแต่สรุปว่าโมนายาปฏิปทาก็เป็นการปฏิบัติแบบผู้สงบคือผู้นิ่งเป็นมุนีจนถึงก็ไม่พูดจาปราศัยอะไรกับใครก็มีเรื่องในประวัติศาสตร์ว่า ตอนที่พระอุปคุตนำพระเจ้าอาโศกไปไหว้เจดีย์บรรจุอธิษฐานของพระอระหันต์ทั้งหลายพระเทรารูปื่นนั้นท่านจะบูชาด้วยสับชิงเงินทองเป็นจำนวนมากแต่พอมาถึงพระนาลากะท่านโบบูชากากคนิดเดียว โดยท่านให้เหตุผลว่าการบวชเป็นพระเป็นพระแล้วไม่ยอมพูดสั่งสอนประชาชนอะไรเลยเนี่ยไม่เกิดประโยชน์เพราะท่านจึงไม่สถาเรื่อมใสในปฏิปทาแบบนี้อันนี้เป็นเรื่องของเรียกว่าต่างจิตต่างใจเรื่องแต่และเรื่องนั้นใครจะคิดยังไงก็ได้ส่ตามัทธยสัย แต่พนาลกาท่านก็ดำรงชีวิตอยู่แค่เจ็ดเดือนท่า น, นั่นเองตอนก่อนนี้ผ่านไปเพราะว่าท่านบำเพ็ญโมนยาปฏิปทาอย่างอุกฤษแล้วก็ข้อความว่าโมกลาณะพรามเป็นต้นได้บรรเทาความง่วงเหงาหางนอนแล้วตั้งใจฟัง ธาตุกรรมฐานที่พระพุมีภาคเจ้าสัตว์อยู่นั่นแหละอันนี้ก็อีกแหละพระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงธาตุกรรมฐานแต่ว่าแสดงเรื่องทำทั้งปวงบุคคลไม่ควรยึดมั่นถือมันเริ่มต้นด้วยประธานพระวาดสามข้อแล้วก็ตอบคำถามของท่านก็มาสรุปที่ ทำทั้งปวงไม่ขวนยึดมันถือมันก็ถ่ายถอนตานามานะในทำทั้งปวงและจากนั้นก็จะเกิดเบอหนนายคลายกำนัดคือการบรรลุของท่านเนี่ยตามหลักฐานเท่าที่พบมาก็คือบรรลุในวันนั้นแหละ แต่ว่าหลังจากแสดงรธรรมเทศนาแล้วท่านเริ่มบำเพ็ญเพียรต่อหรือว่าบรรลุเมื่อพระเจ้าแสดงรธรรมเทศนาจบอันนี้ข้อความก็ไม่ชัดทีนี้มีข้อความตอนหนึ่งอยู่ในอปาทานอปาทานก็เป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยบิดก อยู่ในช่วงหลังๆมาอยู่ในขุตการนิกายก็แบบเดียวกับเทราคาถาเนี่ยอยู่ในขุตการนิกายเหมือนกันก็เป็นประวัติพระเทราพระเทรีแต่ว่าเน้นไปในแนวประวัติในเนเน้นไปแนวคาถาในประธานนั้นกล่าวไว้ว่าพระมุพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าอโนมาทัศสี ผู้ทรงเป็นเชิดถบุรุษของโลกผู้อ ง, งาอาจว่านอระชนผู้อันเทวดาแวดลอ้อมประทับอยู่ที่ภูเขาหิมพานั์พระเจ้าทรงพระนามาโนมานทัศสีนั้นมองย้อนไปอุดใครมากในจำนวนพระพุทธเจ้ายี่สิบแปดพระองค์เนี่ย ต่าก็เลยพระวิปสัสสีพระสิกีไปก็ยังไม่ได้นับนะฮะว่าเป็นลำดับที่เท่าไหร่จากพระตันหังกรไป็นมาคือบาลีในพูดถึงพระพุทธเจ้าในอดีตแต่ว่ามีเท่าไหร่เนี่ยเราก็ไม่รู้เตียงแต่ว่าที่แสดงไว้ก็มียี่สิบแปดองค์ แต่ในขณนะเดียวกันเมื่อเราดูบทสวดจะเรียกว่ามงคลจักรวาลใหญ่เป็นการพูดถึงพระพุทธเจ้าโอ้โห و, เป็นพันพันล้านเลยเยอะเหลือเกินแต่ก็ไม่ได้เล่าที่ไปที่มาอะไรเหมือนกันนี่ก็เป็นเรื่องซึ่งอาจจะแต่งขึ้นที่หลังดูข้าวความดูภาษาแล้วเนี่ยมันน่าจะแต่งทีหลัง แต่ก็สรุปว่าพระพุทธเจ้าในอดีตนั้นมีในอนาคตก็จักมีในปัจจุบันก็มีอยู่ในโลกธาตุอื่นแต่ยวโลกธาตุนี้ก็มีพระพุทธเจ้าของเรานี่แหละแต่ขณะนี้ก็มีพระธรรมวินัยเป็นศาสนาแทนพระองค์คำว่าเป็นเชิะบุรุษของโลก คือเป็นบุรุษผู้ใหญ่หมายความว่าเป็นพี่คนโตของชาวโลกก็เทียบชาวโลกเหมือนกับลูกไก่ที่อยู่ในฟองไข่ไก่ตัวใดเจาะกับฟองกระเาะกระปอกฟองไข่ออกมาได้ก่อนไก่ตัวนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นพี่ของไก่ในฝูงนั้นในโลกมนุษย์ก็เหมือนกันคือ พระพุทธเจ้าได้เจเาะกระปอะฟองเขือวิชาออกมาได้ก่อนก่อนคนอื่นเขาท่านยิงแต่ชื่อว่าเป็นเชศฐบุรุษคือบุรุษผู้เป็นใหญ่ในโลกเป็นผู้องอาจคือกล้าหารกว่านริชนประดัที่กล่าวไปแล้วว่าความขาดเนี่ยมันเกิดมาจากอาการของกิเลส แล้วเราก็มีปัญหาในด้านความประพฤติเรามีปัญหาด้านความรู้เรามีความผิดที่ปกปิดเอาไว้แล้วก็มีถาดของความขลาดเป็นต้นก็เป็นเอเดคนเป็นคนไม่องง่งอาจไม่กล้าหารมักจะขั้นคร้งขั้นคลามขามกริ่งในทรรกลางมหาชนทั้งหลาย อันมูเทวดาแวดล้อมทรงประทับอยู่ที่ภูเขาหิมะวันแนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่งคือประวัติพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆนั้นจะอยู่ที่ป่าหิมะวันจึงทดลองคิดดูว่าในป่าหิมะวันนั้งใครจะทําบุญดักบาตเพราะว่าไม่มีมนุษย์เข้าไปอยู่ ก็อาจะเป็นเทวดาหรือว่าเวลบบ า, า, า, า, ววาบินทบาตท่านก่ออันตรฐานมาจากภูเขาหิมะวันแล้วก็มาบินธบาตในโลกมนุษย์เพราะว่ารูปสังขารร่างกายจริงๆของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็คือคนนั่นแหละก็ยังกินอยู่ขับถ่ายเช่นเดียวกับมนุษย์ตัวทั่วไป แล้วพระโมคคลานะท่านก็นเล่าว่าท่านเนี่ยเกิดเป็นพญานาคมีนามว่าวรุณแปลงร่างได้ตามปรารถนาแสดงฤทธิ์ที่ได้ต่างๆอาศัยอยู่ในทะเลทะเลใหญ่รอละหมู่นาคซึ่งเป็นบริวารประจำให เริ่มการบรรเลงดนตรีคราวนั้นหมู่นาคไปห้อมล้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพากันขับร้องประโคมดนตรีเมื่อดนตรีของมนุษย์และนาคประโคมอยู่ดนตรีของเทวดาประโคมอยู่แม้พระพุทธเจ้าทรงได้ยินเสียงดนตรีทั้งสองแล้วจึงทรงตื่นบรรทม เราได้นิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทูลเชิญให้เสด็จเข้าไปอย่างพบของตนโลภูราตอาัศานะแล้วกลาบทูลเวลาเสวยพระกยาหา ร, ราพระภูมีภาคเจ้าผู้เป็นนายกของโลกมีพระขีนาศพันหนึ่งห้อมล้อมแล้วตรงยังทิศตั้งปวงให้สว่างสวัยเสด็จเข้ามายัางที่อยู่ของเรา เวลานั้นเราเลี้ยงพระมหาวีระเจ้าผู้ทรงเป็นเทพของเราเทพผู้ทรงโอชงงากว่า น, นรชนซึ่งเสด็จเข้ามาพร้อมกับพิสูจน์สงให้ยิบน้ำด้วยข้าวเลน้ำก็มีประเด็นที่น่าสังเกตว่าไอ้บาดาเนี่ยคือหน้ากับพิภพเดี๋ยวมันอยู่ที่ไหนพอถ้าเราดูเรื่องตรงนี้เรื่องที่ ปรากฏในวรรณคดีของอินเดียก็ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือรามายณนะเรื่องรามาเกียรติ์เนี่ยก็พูดถึงพิภพอของพญานาคหลายแหง่งแล้วก็ในอันตลกถาทั้งหลายก็พูดถึงพิภพอของพญานาคในพวกชาดกทั้งหลายเช่นภูริทัตตชาดกก็พูดถึงพิภพอของพญานาคเรืพิภพของพญานาคเราก็พูดกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะ อย่างแถวจังหวัดนคนรพนมอะไรที่พูดถึงพญานาคบังไฟพญานาคอะไรต่อะไรเนี่ยก็พูดในทำนองว่าอยู่ใต้พิภพหรือใต้แผ่นดินแต่ก็มีบิมานอยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ประปลาเล่าสืบกันมานะสถานที่อยู่จริงๆเป็นที่ไหนเราก็ไม่รู้หรอกแต่ดูแล้วมันเป็นพิภพใต้บาดาล ก็เรียกว่าใต้บาดาลแล้วก็เป็นโลกซ้อนโลกอะ่ะคล้ายๆกับโลกซ้อนโลกอยู่เราก็อยู่ที่เปลือกของโลกท่านก็อยู่ด้านในของโลกเอการมาศจรรันในลักษณะนี้มันก็ยากต่อการอธิบายถ้าเราไม่มียานอย่างรู้ถึงท่านที่มียานอย่างรู้เวลาอธิบายเข้าคนที่ไม่มียานเขาก็ไม่เชื่อ คือเชื่อบางไปเชื่อบางอย่างนั้นเพราะว่าประสบการณ์ตรงมันไม่มีโดยเฉพาะบุคคลเหล่านั้นดังนั้นสรุปว่าพระยาณากนันมีแน่แต่ว่าเป็นเอามนุษย์คือเป็นดิฉานกึ่งเทพเป็นดิฉานกึ่งเทพ ตามปกติแล้วเขาก็เป็นพระยานาคอยู่ที่บาดาลก็เป็นเทพเมืองเทพแต่เวลาสมจงกับนางนาคมานาวิกาก็กลายร่างเป็นนาคเวลานอนหลับก็กลายร่างเป็นนาคแต่ในยามื่นท่านก็สามารถเที่ยวไปดยเพศต่างๆได้ ป่าปนอยคนได้ข้าวฟังเทศฟังธรรมอยู่ในโบสถ์ในวัดอะไรตอะไรต่างๆได้ตอนใครก็ไม่รู้จัก่านนี่พระที่คุ้นนกันแล้วก็ดังมากเนยเป็นอาจารย์กับประธานก็สร้างวัดใหญ่โตที่จังหวัดพะเยาก็โดยการช่วยเหลือของพญานาะ แต่ก่อนพญานาคจะยอมรับนัำถือท่านก็ต่อสู้กันพอสมควรพอพญานาคยอมรับนัำถือแล้วก็ให้การสนับสนุนส่งเสริมคนก็แหกันไปทําบุญกับท่านโดยไม่ต้องวางดีกาอะไรหรอกก็ไปทํากันเยอะวัดก็ใหญ่โตรูหรามากแต่ก็น่าเป็นห่วงนะฮะเขาก็ปีเดียวกันตามา ก็เรียกว่าก็เจ็บุกอีกไม่กี่เดือนก็เจ็ดสิบเจ็ดก็จะอยู่รักษาไว้ได้นานเท่าไหร่ราะว่าจะโตอย่างนั้นปัญหาการบริหารนี่จะยากมากโดยเฉพาะ อ, อย่างนี้คือค่าใช้จ่ายกับคนที่จะอยู่ในวัดนั้นนั้นหมายความกุฏิทุกหลังก็ควรจะมีพลา แต่สร้างกุฏิไว้แล้วก็ร้างๆนี่ไม่รู้จะสร้างไปทําอะไรเหมือนกันก็อย่างคิดว่าอาจจะหาโอกาสไปเยี่ยมเขาสักครั้งหนึ่งเพราะเขานิ ม, มนต์หลายครั้งแล้วนี้ก็มีประสบการณ์เรื่องพญานาก็มีพระเป็นนั้นมากประาจารย์กรรมฐานเป็นนั้นมากที่มีประสบการณ์คือเจอกันคุยพู ด, พดคุยกันทีเดียวแล้วพญานาก็มาในรูปของของคน ในกรณีนี้พญานาค ก, ก็มาในรูปคนพญานาคบรุนนี่ก็มาในรูปของค น, คนเมื่อถวายพัฒต า, ารแก่พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยประสงค์ผันรูปเรียบร้อยแล้วพระมหาวิรเาจ้าผู้สยามภู สยามภูเปลวผู้เป็นเองหมาวีระเปรวผู้กระหานคือผู้กระหานที่เป็นได้เองคือเป็นด้วยการสัตสุร์พอสัตสร์ปั๊บก็กระห า, านธนนเิคผู้เป็นอัขบุคคลทรงอนุโมทนาแล้วประทับตั้งอยู่ในทรากลางคือสูจสงงแต่สัตว์รากถาเหล่านี้ว่า ผู้ใดได้บูชาพระสงฆ์และบูชาพระพุทธเจา้าผู้ทรงเป็นนายกของโลกด้วยจิตอันเลื่อมใสนั้นผู้นั้นจะไปสู่เทวโลกจากเสวยเทวราชจะสมบัติ77สบเจครั้งจากเสวยสมบัติในแผ่นดินครอบครองพระสุธาร้อยแดครั้งและจากได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิห้าสิบห้าครั้ง ปกสมบัตินั้นออซึ่งนับไม่ถ้วนจากบังเกิดแก่ผู้นั้นในขณะนั้นนี้เป็นการแสดงอนุโมทนาคำว่าผู้ใดในที่นี้ก็หมายถึงพญานาควารุณนั่นแหละแต่ประเด็นสำคัญว่าการให้ทานในครั้งนี้เป็นการให้แก่พระหานล้ว น, ลวนแล้วก็มีพระพุทธเจ้าเป็นพระมุข อันพอราอค unts, ุณสมบัติอาหุนนยโยปาหุนโยตกิตนโยอัญเชลิกะนโยอนุตรังปัญญเกตังโลกะสมาจับนี่แต่ละองค์สมบูรณ์หมดเลยคุณสมบัติสมบูรณ์หมดแล้วเพราะอะไรเพราะท่านปฏิบัติดีที่สมบูรณ์ปฏิบัติตรงสมบูรณ์ปฏิบัติเป็นธรรมสมบูรณ์ปฏิบัติสมควรสมบูรณ์การมาเป็นบุญแก่ท่านเหล่านี้ แล้วก็ทำด้วยใจที่เรื่มใสคุณภาพของจิตมันก็มีความประณีตสูงขึ้นไปเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งท่านก็จะรับบุญรับกุศลเป็นนั้นมากเป็นการโมกกล่าวถึงอนาคตยาวไกลนะเราลองนึกดูว่าสวยรคจะสมบัติเจ็ดสิบเจ็ดครั้ง แล้วก็ครอบครองแผ่นดินอเทวราชจสมบัตินะฮะเป็นเป็นจอมเทพอยู่เจิบเจ็ดครั้งเป็นพระราชาอยู่ร้อยแปดครั้งเป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิห้าสิบห้าครั้งก็ไม่รู้กี่ร้อยปีนะหรือกี่ร้อยปีก็อาจจะเป็นพันปีก็ได้ดีเซยว่าอายุเฉลี่ยประมาณปีละหนึ่งร้อย ทีนี้เทวดานี่มันเจ็ดิบเจ็ดครั้งที่มันนานมากมันไม่จะนับเป็นร้อยแล้วก็นับเป็นพันแล้วเบื่อแสดงว่าด้วยผลของการบำเพ็ญบุญต่อพระพุทธเจ้าต่อพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยจิตศรัทธาเลื่อมใสที่หนักแน่นมั่นคงอย่างที่น่าควรุณได้กระทามันเป็นผลเป็นนานีสูงที่ยิ่งใหญ่ เพราะว่าทุกอย่างมันมันสมบูรณ์สมบูรณ์ด้วยสัมปทาคุณนั้นท่านไม่ได้บอกไว้นะอาจจะไม่ถึงก็ได้คือสัมปทาคุณมีสี่คือเดินวัตถุสัมปทาผู้รับทานนั้นเป็นผู้ที่บริสุทธิ์หมดจดุดอ้นนี้แน่นอนประการที่สองปัจจัยสัมปทาปัจจัยที่นำมาถวายเป็นของที่ ได้มาในทางที่ชอบทำแอ่นี่ก็เป็นสมบัติของนาคราชเมื่อก็คิดต่อไปแล้วว่าอาหารหนาคราชนดมันคืออะไรแล้วอาหารมนุษย์มันคืออะไรเหมือนกันหรือเปล่าถ้าไม่เหมือนก็แสดงว่าเกิดมาจากบุญของพญานาควรุณคือเนรมิตขึ้นเนรมิตขึ้นมันก็กลายเป็นอาหาร ที่พิเศษขึ้นไปอีกแต่บริสุทธิ์หมดจุดนันแน่นอนและเจตนาในก่อนให้ขณะให้หลังจากให้ไปแล้วเป็นเจตนาที่บริสุทธิ์อย่างต่อเ น, นื่องทีนี้ผู้รับหนบ 1, ึ่งพันท่านกับพันหนึ่งทั้งพระพุทธเจ้า ว่าท่านจะออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆหรือไม่เนี่ยไม่ได้บอกไว้แต่ว่าการที่ทรงแสดงอันนิสง์อย่างนี้แสดงว่าในช่วงที่มีการประโคมดนตรีอะไรกันอยู่พระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์น่าจะเข้านิโรธสมาบัติเพราะว่าไป็ประโคมดนตรีถวายพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้ถวายทําไม รพระองค์ก็ไม่ได้ยินดียินได้อะไรทีนี้เมื่อเขาประโคมหนุนีเช่นนั้นทั้งก็เข้าในรดสมาบัติดับสัญญาดับเวทนาคือไม่ได้ยินไปเลยออกจากในรถสมาบัติแล้วก็มารับปัตตาหารของวรุณนาคราชเป็นครั้งแรกก็ทำให้ผลนนิสงมากขึ้น จากนั้นก็ทรงทานายว่าในกับที่ประมาณไม่ได้แต่พัทรกับนี้พระศ า, าสดาพระนามว่าโคดมโดยประโคดซึ่งทรงสมโพธในวงของพระเจ้าโอกะกากระรจะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกผู้นั้นเคลื่อนจากนารกแล้วจักถึงความเป็นมนุษย์คือหมายความมรรุณนากราหัรุณนากราชนั้น เข้าใจว่าไอ้ตรงเนี้ยที่เป็นเหตุให้ท่านถุกข่าคือเคยฆ่ามารดามาบางแห่งบอกว่าทุบตีนะฮะบางแห่งบอกว่าฆ่าทั้งมารดาทั้งบิดาบางแห่งบอกว่าทุบดีบางแห่งบอกว่าฆ่าเคลื่อนจากนารกในเรื่องที่น่าคิดนะฮะว่าเป็นจอมเทพเจ็ดสิบเจ็ดครั้ง เป็นจอมคนร้อยแปดครั้งเป็นจอมจั ก, กรพรรดิห้าสิบห้าครั้งพอมาถึงจุดหนึ่งกล้าเป็นตกนรกแต่ถ้าไม่เล่าสาเหตุตกนรกเอาไว้ตรงนี้นะแต่จะเล่าไว้ตรงไหนก็ยังยังไม่เจอก็นอกจากเรื่องนั้นแล้วก็ยังเล่าไว้ในที่อื่นเล่าไว้ในที่อื่นเรื่องไปตกนรก ก็คือเรื่องทุพติมารดาบิดาและบอกว่าผู้นั้นเคลื่อนจากนรกแล้วจากถึงความเป็นมนุษย์จากเป็นพรามินามโกลิตะภายหลังอันกุศลละมูลตักเตือนแล้วเขาจะออกปวดจากเป็นรากษสาวกองค์ที่สองของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าโคตรมะจากปรกรความเพียน ก็อย่างที่ล่าในประสูตนนะคือเรียกว่าบำเพ็ญเพียรทั้งรัางคืนกลางวันจนร่างกายทนไม่ไหวก็นั่งสปปงบอยู่แล้วก็มอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าแล้วถึงแท้ที่สุดแห่งฤทธิ์คือจะเลิศกว่าคนอื่นในเรื่องมีฤทธิ์มาก ก็ยกเว้นพระพุทธเจ้ า, านะฮะหมายความระดับอักสาวกและท่านก็นเลิศที่สุดกำหนดรู้อาัสาวะทั้งปวงแล้วจักเป็นผู้ไม่มีอาัสาวะ น, นิพพานกาหนดรู้ก็กำหนดรู้โทษโดยความเป็นธรรมที่ต้องละหมายความกำหนดรู้ทุกในฐานะที่จะต้องทำให้แจ้ง กำหนดอาสวะโดยความเป็นโทษอาสวะก็คือการมาสวะอาสวะคือการภวะสวะอาสวะคือพบอวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาเจอถึงจุดหนึ่งก็ละาได้หมดก็เรียกว่าบรรลุอาสวะขยานเป็นพยานที่ทำอาสวะให้หมดไปสิ้นไปแล้วก็จะ นิพพานนิพพานในที่นี้หมายความว่าเป็นกิเล ส, สนิพพานนะยังไม่ถึงขันธนิพพานเพราะท่านก็อยู่มาอีกตั้งสี่สิบปีก็ราวสี่สิบสามสี่สบสี่ปีนะแล้วสี่บสี่ปีจึงนิพพานนั้นก็เป็นประเด็นที่เล่าใบย่อๆในอปาทานเป็นประวัติย่อ อาศัยมิตรอาศัยมิตรผู้ชั่วช้าตกอยู่ในอำนาจกามราคามีจิตอันโทษประทุษร้ายแล้วฆ่ากระทั่งมารดาและบิดาได้คือเรื่องใจความโดยสรุปนะฮะใจความโดยสรุปก็คือว่าท่านเป็นลูกที่เลี้ยงมารดาบิดาอย่างดีมาก จนโตเป็นหนุ่มใหญ่แล้วมารดาบิดาก็พยายามที่จะให้ลูกเนี่ยมีสภายลูกชายก็กลัวว่าจะสูญเสียโอกาสในการดูแลบารดาบิดาก็ไม่ยอมมีแต่บางแห่งบอกว่ามารดาเฉยๆบางแห่งบอกว่าทั้งมารดาและบิดาแต่สรุปว่าที่พูดว่าทุกตีเนี่ยมันมีทั้งมารดาบิดา แต่พูดว่าข้าเนี่ยมีเฉพาะมานดาแล้วในที่สุดมานดาก็ไปบีบบังคับไปสู่ขอผู้หญิงมาให้เป็นพัญยาก็เสียเรื่องเลยผู้ชายอยู่กับคนแก่แม่ซึ่งเป็นคนแก่มา แล้วก็มาอยู่กับหญิงสาวก็โยอยนด้วยวิธีการต่างๆหลอกลวงด้ววิธีการต่างๆก็แบบโลกอะมันดานั้นเป็นหญิงตาบอดวันมีะรับประทานอาหารอะไรข้าวก็หกไปบ้างอะไรไปบ้างก็เรื่องธรรมดาแหละคนตาบอดแต่ลู่สะภ้ายก็กลั่นแกล้ง ทำาหารเรี่ยไไปทุกวันแล้วก็บ่นทุกวันสามีไปทำงานนอกบ้านตัวเองอยู่ที่บ้านเต้นหาเรื่องป้ายสีมารดาดกิจกรรมจัดมารดาออกไปจากครอบครัวและจะอยู่กันเป็นสุขสองคนกับสามีผลก็แสดงว่าได้พัญญาที่ไม่ดี ปัญญาประเภทที่เรียกว่าเป็นนายประเภทที่เรียกว่าเป็นโจรประเภทที่เรียกว่าเป็นเพศแคดในที่นี้ก็เรียกว่าเป็นประเภทประเภทเพศขคดคือไม่มีความรักความปรารถนาดีต่อสามีและแม่ของสามีไม่มีการกระทาอะไรที่มุ่งอุปการะส่งเสริมสนับส น, นุนสามีแล้วก็แม่ของสามี ไม่ตั้งใจอุปการะคนแก่ซึ่งชราตาบอดแล้วเป็นคนน่เห็นแก่ตัวไม่ยอมร่วมทุกข์ร่วมสุขกับสามีธามีทำงานเหนื่อยแทบตายนะมาถึงก็มาเจอเหนื่อยใจที่บ้านปัญญาก็โยครอนจิตใจกอบสามีอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันทุกวั น, วนสามีเมื่อก่อนก็ไม่ได้ ห้ามปราบไม่พูดถึงแม่กัญญาก็ต้องหาเรื่องไปเรื่อยๆก็คงใช้เวลานานอยู่เหมือนกันในสุดจิตใจผู้ชายหนุ่มซึ่งอ่อนไหวแล้วก็เหยาต่อโลก้าสังคมของบัณฑิตที่จะชี้แน่ความถูกต้องนี่เราเห็นอย่างหนึ่งว่าสภาพเป็นล้อมคนบ้านป่าอยู่กันสามคน บ้านก็ห่างไกลกับกับคนอื่นรนข้อมูลที่สามีได้รับเนี่ยมันได้รับด้านเดียวเราข้อมูลด้านเดียวคือรับจากพัญยาแต่แม่นั้นยังไงก็หวานอมขงกลืนไม่ทาให้ลูกชายเสียใจไม่เล่าเรื่องอะไรเลยแา่มาอีกด้านหนึ่งเนี่ยสามีก็ไม่รู้ ทีนี้น้ำหนักมันก็เริ่มถ่วงมาทางไม่ชอบแม่ไม่ชอบแม่จนโกรธแม่จนโกรธแม่จนคิดทํำลายแม่คิดทํำลายแม่แล้วจิตใจมันก็เยี่ยมเกมึ้นไปเรื่อ ย, อยในที่สุดก็ฆ่าอ๋อทั้งพอ่อทั้งแม่นะฮะฆ่าทั้งพอ่อทั้งแม่ตาย นี่ก็พูดในทํานองว่าข้าแต่บางแห่งบอกว่าทุกปีนะฮะบางแห่งบอกว่าทุกปีก็มีพ่อแม่เหมือนกันเราเข้าถึงกาเนิดใดๆนรกหรือความเป็นมนุษย์ก็ตามยังต้องมีสีสัดแตก ไปถูกทุกหัวเพราะความทั้งพร้อมด้วยกรรมชั่วในกำเนิดนั้นๆ น, นี้เป็นกรรมครั้งสุดท้ายของเราภพสุดท้ายกำมังเป็นไปอยู่แม้ในภพนี้กรรมเจดนี้จะมีแก่เราในเวลาใกล้จะตายนี่ท่านก็เล่าในประธานนี่เล่าเอง เป็นการลึกชาติได้นะฮะแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าจะเกิดในพบในชาติใดๆก็ตามนะฮะแล้วก็จะถูกตีหัวแตกตุกหัวตุกหัวตายตุกหัวจนตายทุทีเป็นอย่างนี้ทุกชาติอันนี้เรื่องกฎของกรรมตรงนี้ถ้าหากว่าเรามองผลบางอย่างที่เกิดขึ้นแก่คนบางคน เราไม่ทราบที่ไปที่มาไหวตัวเหตุจริงๆนะมันคืออะไรเหตุในขณนะนั้นอาจจะเป็นเหตุใหม่ก็ได้เช่นว่าคนหนึ่งเป็นคนดีเหลือเกินทำประโยชน์ช่วยเหลือคือกูลสังคมเป็นจำนวนมากเป็นที่รักษยกย่องปกปัจจของคนจำนวนมากแต่ก็มีคนริษยา ไอ้ฤิศยาเหล่านั้นไม่รู้ว่าฤิษยากันมาก่อนหรือเปล่าแต่ที่แน่นอนปัจจุบันคือฤิษยาในขณะที่ฝ่ายหนึ่งทำดีฝ่ายหนึ่งก็ฤิษยาและพยายามกล่าวหาใส่ร้ายป้ายสีกันด้วยวิธีการต่างๆจนในที่สุดเนี่ยคนดีก็กลายเป็นคนเสียไป โดยเฉพาะกระแสสังคมเราในยุคสื่อสารโทรคมนาคมก้าวหน้าสารสนเทศหรือว่ายุคโลกาภิวัตน์อย่างที่ว่าเนี่ยเราสามารถปลุกเสกได้เลยนะครับปลุกเสกใครให้เป็นอาจารย์ขลังขึ้นมาจนคนแห่กันไปเป็นพันพนหมืนม่นๆเนี่ยเพื่อไปหาอาจารย์รุกนั้น แล้วสามารถจะสร้างกระแสให้คนดีคนหนึ่งเนี่ยกลายเป็นคนเลวที่ถูกสังคมรังเกียจขับไล่ออกจากหมู่หรืออาจจะร่วมแรงรูปใจกันฆ่าได้ตอนเครื่องมือเหล่านี้มันเป็นกลางกลางปัญหาว่าใครใช้ล่ะแต่คนใช้จิตใจปราศจากกุศลมีแต่อกุศล แต่แรงริษยาโดยแรงอาฆาตโดยความคิดเบียดเบียนเนี่ยมันทำลายกันได้ตลอดเป็นโลกที่น่ากลัวนะคือคือสังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่น่ากลัวเพราะว่าแนวโปรโมชั่นทั้งหลายเนี่ยมันเยอะเลยเกินนะรู้สื่อหนังสือพิมพ์ก็ดีโทรทัศน์ก็ดีวิทยุก็ดีสื่อโฆษณาต่างๆอักษรวิ่ง ทางจอโทรทัศน์ก็ดีเนี่ยแล้มีความชัดเจนว่ า, าคนใช้วิธีการตลกตลแลงบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหลายๆอย่างทาให้คนเห็นตัวเองคนอื่นก็เห็นว่าตัวเองไม่ดีคนอื่นนั่นเลวอย่างสํานวนที่ว่าเอาความดีใส่ตัวเอาความชั่วใส่คนอื่น มันเกิดขึ้นแค่หลายอันนี้คือสภาพแวดล้อมที่มันมันสลับซับซ้อนมากเกินไปแล้วคนก็ไม่มีปัญญาจําแนกในสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นว่าอะไรเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ที่มันจําแนกไม่ออกฟังแล้วมันก็น่าเชื่อถือทั้งนั้นแหละตีหน้าเศ้าเล่าความหลังทั้งนั้น แต่ว่าอดีตพระโมคคัลลานะเนี่ยท่านอยู่ในสภาพเบิดหลอมที่ซ้ำสากหมายควา ม, ข, มข้อมูลด้านเสียเข้ามันดาบิดาเนี่ยซึ่งเป็นที่เคารพเทิดทูนของท่านแั่ทุนเทเวลาชีวิตดูแลมันดาบิดาไม่คิดจะมีพัญญาไม่คิดจะมีอะไรหละข อ, อพ่อแม่เป็นสุขเลี้ยงดูจนพ่อแม่ เจลาแล้วก็ตายจากไปแล้วตัวเองก็คยไปคิดเอาใหม่แต่มีลักษณะของน้ำหยดลงหินทุวแหวนหีน ห, นหินมันก็กร่อนได้จิตใจของมนุษย์เองก็เป็นเช่นนั้นคนที่มีจิตกระตันอยู่กตเวชีเราเห็นว่ามันชักเยืะอต่อสู้กัน ระวางความกตัญญูกตเวทีต่อมานาบิด า, วาความรักความเคารพความเทิดทูนมานาบิด า, ากับความรักที่เกี่ยวข้องทางเพศโดยการยัว่วยวนด้วยวิธีการต่างๆนั้นแน่นอนและกล่อมกล่อมเพื่อให้ผู้ชายเขาลงไหลแล้วก็ค่อย พอพอเรารู้สึกรักใครหลงไหลเนี่ยมันจะอบอุ้มคุ้งครองปกป้องรักษาพิบาลพ่อแม่เราก็อบอุ้มคุ้งครองปกป้องรักษาพิบาติแต่ตอนนี้ท่านไม่เล่าท่านยอนสรารภาพผิดยอมขอโทษทุกทียิงเทศยังไงก็ไม่รู้เพราะท่านไม่บอก แต่ปัญญามันบอกทุกวันน่ะมันบอกทุกวันแ้วถามว่าเทข้าวทิ้งให้หกเรียรายอยู่ในที่ต่างๆพอแม่เห็นไหมก็ไม่เห็นนะป ร, ะรุกสภาเตเองห ร, รือสภาเตเองไปกระเทในจุดที่เธอต้องการจะเทเป็นปัญหาตรงนี้มัน ถ้าไม่เราเห็นว่าอาศเยวนันปัจจัยคือการคบหาสมาคมเกี่ยวข้องกันระหว่างคนกับคนเนี่ยไอ้คนที่แวดล้อมจะต้องมีบัณฑิตอยู่มากๆเนี่ยรังยับยั้งชั่งใจช่วยกันคิดช่วยกันชี้แจงช่วยกันอธิบายแล้วถ้าหากว่าเขามีพวก หมายความว่าให้พวกช่วยมาดูความจริงมาแอบดูความจริงว่าความจริงนี่เป็นยังไงแล้วเราจะเห็นภาพอีกภาพหนึ่งคือภาพที่มันเป็นจริงถ้าเขามีข้อมูลในด้านพ่อแม่ชัดเจนกว่านั้นเขาก็คงไม่ทำหรอกรอพื้นฐานก็ดีแต่ข้อมูลมันเริ่มลื่นลางในด้านความดีของพ่อแม่ แต่ในด้านความดีของปัญญาความหนักใจของปัญญานั้นเริ่มไปจางเริ่มมีมากมีน้ำหนักสูงขึ้นในสุดมันก็เหียวร่างกันก็ถวงร่างกันจนทำให้ลูกชายที่กระตันอยู่อย่างสูงต่อพ่อแม่ประทุท้งไพ่อแม่ตัวเอง จนตายนะตายก็ตกนรกนะอย่าลืมว่ามันเป็นนันตฤกกรรม้วยตกนรกไปเท่าไหร่ก็ไม่ได้รา่าหรอกมันมันนานมากไนอะ้นันตกรรมเนี่ยแต่พอเกิดมาเป็นมนุษย์ทุกภพทุกชาติทุกภพทุกชาติชีวิตของท่านจะจบลงด้วยถูกตีหัวแตกตายถูกทุบถูกทุบหัวแตกแล้วก็ตาย เหมือนกับอะไรเหมือนกะที่ท่านเคยทุกพ่อแม่กับพ่อแม่ท่านก็ทุกหัวเหมือนกันนั่นคือจิตใจมนุษย์จิตใจมนุษย์นั้นยังไม่ถึงขั้นที่ควรแก่การวางใจตราบใดที่เรายังไม่ได้บรรลุมรรคผลมันวางใจไม่ได้ มันเกิดเพี้ยนขึ้นมาบูบเดียวเท่านั้นเด็กทำอะไรสหาหัสรุนแรงออกไปก็ได้แต่นั้นนี่ก็เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งการเชื่อไว้ในเรื่องของบวบบาปบุญเราจะเห็นว่าในส่วนบุญก็เป็นอะไรละ่ะเป็นจอมเทพเจ็ดสิบเจ็ดครั้ง เป็นจอมคนร้อยแปดครั้งเป็นจอมจั ก, กรพรรดิห้าสิบห้าครั้งอันนั้นคือบุญอันวยผลเป็นวิบากผ่านพบชาติอนเอกนกนันเหมือนกันเขาก็แสดงผลเขาเต็มที่แต่เรานึกดูว่าจิตคนที่เป็นสูงขนาดนั้นแล้วเนี่ยวันหนึ่งมันหล่นปุ๊บลงมาเลยเพราะเหตุเพียงสิเนหาในผู้หญิงคนหนึ่ง ซึ่งไม่ได้เจตนาดีอะไรแล้วก็เกิดชิงชังพ่อแม่ตำอันตรายพ่อแม่ก็บาปก็ตามกันตอนสองช่วงนี้ก็คิดว่าทั้งหมดเนี่ยมันนานด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละตั้งหลังจากยุติจากวรุณนาคราชตอนนั้นก็ สวยสุขที่เป็นบุญผลของบุญแต่ต่อมาก็เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็ยังสวยผลบุญอยู่ระดับเนี่ยแต่พอถึงจุดหนึ่งเราจะเห็นว่าพอไปทุบหัวมารดาปิดาข้าวท่านนั้นเองตกนรกหมกไหมอเนกนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็มารับผล นี่ถูกทุกศีรษะแตกทุกภบทุกชาติแม้ในชาติที่เป็นพระมกขลานาเองก็ถกูกทุกเหมือนกันแล้วก็ท่านนิพพานไปได้วยเหตุนั้นแหละแต่ว่าตอนถูกทุกก็ประสานกายกลับหมักฝ้าพระพุทธเจ้าได้สนั้นต้าฟังเท่าไหร่